มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัคอรูปะวะวัฏฐภาวะทุกกระปัญหาที่18ถามว่าจะ ก, กำหนดอรูปธรรมให้เป็นอันเดียวทำยากหรือง่ายพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญซึ่งภาวะจะกำหนดรูปธรรมให้เป็นอันเดียวนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคกระทำเป็นอันญากหรือพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูกะระบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์จะเอาอารูปธรรมคือจิตเจตสิกทั้งหลายอันมีอารมณ์ต่างกันให้เป็นอันเดียวกัน แล้วจะกลับแจกออกว่าทมสิ่งนี้คือผัสโสทมสิ่งนี้คือเวทนาทมสิ่งนี้คือสัญญาทมสิ่งนี้คือเจตนาอีกทางสิ่งนี้คือจิตนี่แหละคือสมเด็จพระกวันณตับบพิษสุดที่จะกระทำเป็นอันยากขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตร ถ, ถามว่า พันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสณพูดเจริญสมเด็จพระมหากรุณาผู้ทรงสวัสดิภาพกระทาอย่างไรนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทาอุปมาให้แจ้งก่อนเทโรฝ่ายพระนาคเสณจึงถวายอุปมาว่ามหาราชะดูกระระบวพิษพระราชสมภารโกจิเทวปุริโสเปรียบานดุดบุรุษผู้หนึ่ง ไปสู่มหาสมุทรด้วยสำเพาจึงกอบเอาอุทะกังในมหาสมุทรด้วยซองมือของอัตมาชิวหายะสายิตวาบุรุษผู้นั้นชิมลิ้มเลียด้วยชิวหาชาเนยยะโสบุรุษผู้นั้นจะรู้หรือหามิได้ว่าอิทางอุทะกังอุทะกังนี้มาแต่แม่น้ำคงคาอิทางอุทะกังอุทะกังนี้ มาแต่แม่น้ำยะมุนาอุทกังนี้มาแต่แม่น้ำชื่อว่าสรรภูนาทีอุทกังนี้มาแต่แม่น้ำอาจิระวดีอุทกังนี้ไหลมาแต่แม่น้ำชื่อว่ามหินาทีบุรุษผู้ชิมลิมล้มเลียอุทกังในมหาสมุทรแล้วจะรู้หรือหาไม่ได้นะบอพิษพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีพระราชโงคงการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญบุรุษผู้นั้นจะรู้เป็นอันยากด้วยอุทกังนั้นระคนปนกันพระนาคเษนถวายพระพรว่าฉันในดก็ดีอันว่าอารูปธรรมเจตสิกทั้งหลายนี้เมื่อเจือจานเข้าเป็นอันเดียวแล้วสมเด็จพระมุนี ก็ทรงกระทําอันยากที่จะแจกออกให้เป็นภาคเป็นส่วนว่าอยังผัโสโศทำสิ่งนี้เป็นผัสสะทำสิ่งนี้เป็นเวทนาทำสิ่งนี้เป็นเจตนาทำสิ่งนี้เป็นจิตนี่แหละมหาบุพิตรพระราชสมภารจงทราบเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังพระน้าเกษมอุ ป, ปมาก็ชื่นบานหันสาว่า สาธุพันเตพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหานี้ไเรอเพราะนักหนาอรูปะวะวัฏทะภาวทุกตปัญหาเป็นคำรบที่สิบแปดจบเท่านี้